เป็นไงสบายดีนะสบายใจหรือสบายกาย ม, มีสองอย่างมีสบายแบบสบายกายกับสบายใจหรือไม่สบายทั้งสองอย่างร่างกายก็ไม่สบายใจก็ไม่สบายเนื่องของร่างกายนี้มันเราก็ไปควบคุมบังคับเปไม่ได้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 ถ้ามันไม่ได้มันก็มีเหตุการณ์หรือเหตุผลเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเจ็บไข้เร่าป่วยขึ้นมาแต่มันก็มีเหตุปัจจัยที่ทําให้มันหายได้เช่นไม่สบายเราก็ไปหาหมอหาอยู่ขายยาถ้ามียารักษาได้มันก็หายได้ถ้าไม่มียา รักษาไม่ได้มันก็เป็นต่อไปหรือตายไปอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพระอรหันตสาวกกูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เจ็บข้ได้ปว่วยอันนี้มันเป็นธรรมชาติของร่างกายร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย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 ผลิตขึ้นมาเองเราไม่มีไม่มีใครรู้ว่าความไม่สบายใจของพวกเรานี่เกิดจากตัวเราเองต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั่เลยพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงรู้ว่าความไม่สบายใจของพวกเรานี่เกิดจากตัวเราเองสร้างมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาด้วยความอยากต่างๆ พออยากอะไรปั๊บนี่ใจ ย, ยังไม่สบายขึ้นมาทันทอนนีอยากได้นู่นอยากได้นี่ใจมันก็ไม่สบายแล้วหรืออยากให้สิ่งที่ได้มาแล้วไม่ไม่จากไปก็จะรู้สึกไม่สบายขึ้นมาในเวลาสิ่งที่จากไปเราก็ไม่สบายเพราะเราไม่อยากให้เขาจากไป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 คนที่เราไม่รู้จักเราไม่ทุกข์เลยเพราะเราไม่มีความอยากอะไรกับเขาเลยเขาจะเป็นเขาจะตายเขาจะดีเขาจะเชื่อนี่เราไม่รู้สึกเดือดไม่มีความอยากไปยุ่งกับเขาเลยแต่คนที่ใกล้ตัวเรานี่มันเราอยากแล้วนะอยากให้เขาดีพอเขาไม่ดีเราก็ไม่สบายใจนะเราอยากให้เขาดี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 ที่อาจจะตายได้ยิ่งทำให้เราไม่สบายใจใหญ่ถ้าเป็นหวัดนี่ยังรู้สึกเฉยเฉใช่ไห เ, เดี๋ยวก็หายตอนรู้ว่ามันหายก็ยังพอที่จะรับมันได้แต่ถ้าถ้าไปเจอโรคแบบมันไม่หายโรคมะเร็งอย่างนี้ตอนนั้นใจเราจะไม่สบายมากจะทุกมากจะไม่สบายมากกว่าร่างกายเสอีก แต่เราสามารถแก้ได้ความไม่สบายใจนี้เราต้องมาหยุดความอยากของเราหยุดความอยากให้ร่างกายของเรานี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหยุดความอยากให้ร่างกายมันหายถ้าเราอยากแล้วเราก็จะทำให้เรากู้ตกกังวลขึ้นมาว่ามันจะหายหรือเปล่า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 มันจะอยู่ได้ถึงอายุเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเรื่องของมันเราไปสั่งมไม่ได้ว่าให้อยู่ถึงอายุ80ถึง90ถึง100บางทีมันก็อยู่ได้บางทีมันก็อยู่ไม่ได้แต่จะอยู่ถึงเท่าไหร่มันก็ต้องมีวันตายแหะไม่เกินร้อยยีคนในโลกนี้อายุที่ยาวที่สุดนี่ถึง120ยย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 ออกกำลังกายต้องคอยดูแลอะไรต่างๆเป็นพิศเศษแล้วยิ่งแก่นี่มันยิ่งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่อยากจะทำอะไรทำแล้วมันเหนื่อยอยู่เฉยๆดีกว่านี้ใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความอยากอยากอยู่ก็ไม่มีอยากตายก็ไม่มีใจของพระพุทธเจ้านี่เฉย ๆ, ๆ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 ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมาทุกกับความความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเราเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขคนที่เลิกใช้ร่างกายหาความสุขเป็นคนแบบไหนก็คือคนที่ถือศีลแปดเนี่ยถือศีลแปดหรือคนที่บวชเป็นพระบวชเป็นเนนบวชเป็นชีนี่ เขาไม่ใช่ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนะเขาไม่หาความสุขจากาการร่วมหลับนอนกับแฟนนะเราไม่ต้องหาความสุขจากการดูการฟังมหัศรสยบันเทิงต่างๆไม่ต้องหาความสุขจากการดืม่มการรับประทานคือจะดื่มรับประทานก็เฉพาะให้ร่างกายอยู่ได้เท่านั้น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 จากการนั่งสมาธิกันจากการเจริญสติกันถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะไม่มีเวลามาหาความสุขทางร่างทางใจกันเพราะเราจะมัวแต่ไปหาความสุขทางร่างกายกันเดี๋ยวก็รอกินข้าวเย็นกันแล้วใช่ั้มวันนี้เดีย๋ยวเย็นได้กินข้าวกันรึเปล่าเราไม่กินสบายกว่าไหมเรนั่งสมาธิอิ่มกว่า สุกกว่าไปนั่งกินข้าวเย็นเนี่ยเราไม่ได้กินข้าวเย็นมาสี่สิบกว่าปีแนละ้วไม่เห็นเดือดร้อนเลยเราไม่ได้กินมื้อเดียวเดือดร้อนั้มจะตายให้ได้ไหมอ้าวนี่เห็นความทุกข์หรือยังเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขหรือยังยพอไม่ได้กินมื้อเย็นนี้มื้อเดียวเนี่ยนอนไม่หลับแล้วเนี่ย หิวต้องเขินเนอะเราเนี่หลับสบายหัวถึงม้อยเมื่อไหร่ก็หลับเมื่อนไ้นไม่ได้หิวไปกับมันเลยมันหิวที่ใจรู้ปะไม่ได้หิวที่ร่างกายร่างกายมันพอแล้วเนี่ยอดอีกสิบเกร้ อ, อ, อวันก็ไม่ตายเนี่ยมีสเบียงสะสมมาเยอะเนี่ยดูพระพุาธเ้อดต้อง49่สิบเกวั น, นถึงจะพร้อมกับ พร้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอะพวกเราเนี่สี่สิบเก้าวันยังสบายดีซะอีกโรคไขมันอุดตันโรคเบาหวานโรคอะไรต่างหายหมดเลยไปตรวจน้ำตาลดูนี่ดูขึ้นไม่ถึงร้อยนี่เราเราฆ่าตัวพวกเราเองด้วยการกินรู้ปล่ะกินด้วยการกินมากเกินไป โรคภัไข้เจ็บที่มันเกิดจากการรับประทานมากเกินไปเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดความดันไขมันอุดตันโรคอามาัอามพฤกษ์อัมพาตเพราะสมอง เ, อเลือดในสมองมันอุดตันสมองทํางานไม่ได้เพราะไขมันสูงกินมากหรือโรคหัวใจวายโรคความดันสูงนะครับ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 ไม่ให้ใจคิดเพราะคิดแล้วมันก็จะไม่สงบนั่นเองถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขร่างกายก็เป็นยังไงก็ไม่เดือดร้อนร่างกายไม่ไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่เดือดร้อนอดสองสามวันก็อดได้ไม่ไม่เดือดร้อนถ้าทำใจให้อิ่มแล้วมันไม่หิวความหิวของร่างกายนี้นิดเดียว ความหิวที่มากนี่อยู่ที่ใจกินข้าวอิ่มอิมยังหิวได้เลยใช่ไหอพอคิดถึงก็หนมคิดถึงก็อะไรขึ้นมาหิว อ, อกีกแล้อหลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบวชไปใหม่ท่านยังไม่เคยชินกับเรื่องฉันมือเดียวเพราะท่านบอกว่าท่านล้างบาทเสร็จเช็ดบาศเสร็จหิวขึ้นมาอีกแล้วใจมันคิดถึงอาหารเลยอยากินะ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 หรือเวลากินก็จะไม่ให้มันกินมากก็เอาอาหารที่จะกินนี่เอามารวมกันทีเดียวเลยอาหารข้าวหวาน<ม>อะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องใช่มอะอก็ให้มันรวม <c oughs> ให้มันรวมในจานก่อนดิในชามก่อนเอามาใส่ไว้ในกามังเลยใส่ข้าวเข้าไปใส่แกงเข้าไปใส่ของหวานเข้าไปใส่กาแฟเข้าไปใส่อะไรเข้าไปแล้วก็คนแล้วก็ตักกินเลย กินอย่างนี้ก็ จ, จะกินไม่ลงกินไม่ได้กี่คําก็อิ่มนะ้ววิธีลดน้ําหนักนะ <c oughs> ถ่าน้ําหนักเกินก็ลองกินแบบนี้ดูไม่กี่มือ <c oughs> แต่ไม่แน่นะบางทีพอมันชินแล้วมันกลับอร่อยขึ้นมาได้นะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันอร่อยก็ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ เนี่ยความหิวมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ้าใจไม่หิวมันเห็นพระพุทธเจ้าอดได้ตั้ง49วันเพราะท่านทาใจให้สงบได้ทำใจให้ไม่หิวได้แต่ความหิวมันก็ยังไม่หมดมันไม่ได้หมดที่การาทำใจให้ไม่ให้คิดถึงอาหารวิธีที่จะทำให้ไม่หิวก็ต้องทต้องคิดถึงเวลาที่มัน อยู่ในท้อง เ, เวลาที่มันถ่ายออกมาถ้าเห็นอาหารในจานนี่เหมือนอาหารที่ถ่ายออกมานี่มันจะกินไม่ลงแ ล, แล้วต่อไปมันก็จะไม่หิวอาหารแต่ก็ต้องระวังมีบางคนทำจนติดเป็นนิสยัยถึงเวลากินกินไม่ได้เลยเวลาเห็นอาหารที่ลายคิดว่าเป็นอาหารที่อยู่ในโถส้วมทุกทีอันนี้ถ้ามันทำถึงกินไม่ได้ เลยก็ต้องเปลี่ยนต้องไปอย่าไปคิดถึงมันให้คิดว่ามันเป็นเหมือนกับน้ำมันรถเติมน้ำมันรถให้ร่างกายมันถึงจะกินได้หรือเป็นยาให้ร่างกายกินกินเป็นกินยายานี้ไม่อร่อยแต่เรากินได้ใช่ไหมพอเราฝืนมันกืนกืนมันเข้าไปเวลากินยานี้เราก็ใายเข้าไปในปากก็รีบกืนเลย ไม่ได้กินด้วยความเม็ตอร่อยด้วยความอยากกินเราต้องหยุดใช้ร่างกายกันทดลองอย่างน้อยอาทิตย์ละวันก็ยังดีเรามาเริ่มกันอาทิตย์ละวันวันพระเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นวันที่เรามาเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยกันจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้มาใช้สติใช้สมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขกัน ใช้สติสมาธิใช้ปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญานี่เราสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายวันพระท่านหนึ่งบอกให้ถือศีล8ปดกันวันธรรมดาก็ถือศีลห้ากันให้ถือศีล8ดวันพระเพื่อจะได้มีจุดเริ่มต้นถ้าเราไม่ถือเลยมันก็จะถือแค่ศีล5ไปเรื่อย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 มันจะเห็นอะไรเต็ไมไปหมดนะมันจะเตื่นนะอ่นนี่คือวิธีการปฏิบัติที่จะทำใจให้สงบมันบางทีต้องมีอุบายหลายๆวิธีด้วยกันถ้าอยู่ชิอยู่แบบสบายๆนี้มันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ถึงอยู่บ้านไม่ค่อยได้เพราะอยู่บ้านนี้มันมีของรอใจเยอะของอายุความอยากกันเยอะไหนทีวีไหนตู้เย็น ไหนจะคนคนนั่นคนนี้เดี๋ยวเ้ากินกันเดี๋ยวเขาามาชวนเรากินอย่างเงี้ยพอใครมาชวนปั้บมันก็หมดกําลังแที่จะสู้แล้วนั้นคนที่จะหาความสงบคนที่จะทําใจให้สงบจริงต้องไปอยู่ที่สงบอยู่ที่คนเดียวอยู่ที่ไม่มีอะไรเห็นไหมสังเกตที่สารานี่มีอะไรไหม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 ถ้าไปอยู่ที่มีเสียงมีเสียงทีวีมีเสียงละครมีกลิ่นอาหารโชยมามีคนน้องรำทำเพลงมันทำให้ใจเราสั่นไปหมดเพราะความหิวความอยากแต่พอมาอยู่นี้ไม่มีเสียงอะไรมาเขย่าใจเสียงนกเสียงอะไรมันไม่มาทำให้ใจเราสั่นรูปกรรูปต้นไม้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 ต้องเลิกใช้รูปเสียงกลิ่นรสเลิกใช้ตาหูจมูกร่างกายแล้วมาพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวเดินก็พุโทโธนั่งก็พุโทโธเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันต้องสงบได้สงบแล้วมันจะสบายแล้วรู้แล้วว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายก็ได้ร่างกายจะแก่ก็ยังพุโทโธได้ร่างกายเจ็บ่ข้ได้ป่วยนอนในโรงพยาบาลก็ยังพุโทโธได้ยังสง บ, บได้ ร่างกายตายใจก็ยังสมบูได้เพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วร่างกายหมดความหมายไปเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้เขามีเครื่องเครื่องใช้ไม่สอยในบ้านถ้าจะไม่ต้องใช้คนใช้แล้วใช่ไมมีเครื่องซักผ้ามีผ้าผ้าซักแล้วก็ไม่ต้องรีดซักแล้วก็ใส่ได้เลยเมีเครื่องมืออะไรเยอะแยะไปหมดมีเครื่องดูดฝุ่นมีอะไร ต่อไปก็อาจจะมีหุ่นมาทำความสะอาดให้เรามาทำกับข้าวให้เราทำอะไรให้เราทุกอย่างออก็ไม่ต้องใช้คนแล้วต่อไปออแต่ก็ยังต้องใช้ของพวกนี้อยู่ขอพราของพวกนี้เป็นอะไรก็เดินดร้อนขึ้นมาเองเหมือนกันออต้องไม่ใช้อะไรเลยใช้เราตัวเราอย่างนี้อย่างพระเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พระอยู่แบบไม่ใช้ใช้อะไรจะให้ใช้ตัวเองกวาดถูสารากวาดถูกุฏิเอง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 ใจพึ่งสติสมาธิปัญญาสามตัวนี้ต้องมีสติก่อนถึงจะมีสมาธิได้สมาธิก็ ค, คือความนิ่งสงบของใจเกิดจากการหยุดความคิดต่างๆด้วยสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอพุทโธได้ใจก็นิ่งสงบก็มีความสุขไม่ต้องกินข้าวเย็นไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องนอนกับแฟน แล้วถ้าออกจากความสงบมาก็ต้องหยุดความอยากเวลาอยากจะไปทำอะไรก็ใช้ปัญญามาหยุดมันสอนสอนใจว่าการทำตามความอยากเป็นการไปหาความทุกข์เพราะว่าทำแล้วหาแล้วต้องหาอยู่เรื่อยมันเป็นความสุขชั่วคราวไปกินปป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องกลับไปกินใหม่เดี๋ยวกินปป๊บเดี๋ยวก็หิวอีกแล้ว เดี๋ยวก็อยากอยู่แล้วกินอาหารแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินขนมต่อหลังจากขนมก็อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นมันก็จะอยากไปเรื่อยๆมันก็ต้องมาใช้ร่างกายเหมือนเดิมให้เลิกใช้ร่างกายสอนสอนปัญญาสอนใจว่าอย่าไปใช้ร่างกายถ้าอยากจะหาความสุขก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่หรือทาใจเฉยๆอย่าไปอยาก ถ้าหยุดความอยากฝืนความอยากได้มันก็จะสบายนเวลาความอยากโผล่ขึ้นมาก็ต้องหยุดันทันทีอย่ากหรืออยากบางทีก็มีเครื่องมือให้หยุดเช่นอยากอาหารก็ให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องนล่นนึกถึงแฟนก็ให้นึกถึงศพของแฟนแทนอย่าไปนึกถึงแฟนให้นึกถึงศพของแฟน ถ้าแฟนตายวันนี้ยังอยากจะเก็บไว้ในบ้านอยากจะนอนกับแฟนต่อป่ะฮนะต้องถามตัวเองดูรักกันขนาดไหนพอตายแล้วไม่เอาเก็บไว้ละยกให้สับปปเปลือเลยให้ฟรีๆด้วยซ้ํแไปต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยจ้างเขามาเอาแต่เวลาบินลมหายใจนี่ใครมาแตะไม่ได้นะฆ่ากันตายเลยใครมาแตะ พอไม่มีลมหายใจเท่านะั้นยกให้คนอื่นเลยยกให้สับปเปล่าเลยจ้างให้เขมาขนไปเลยให้คิดถึงซากศพของแฟนคิดถึงแฟนเวลาตายเวลาคิดถึงแฟนเวลาเหงาให้คิดถึงศพของแฟนมันจะได้หายเหงาอยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าอยู่กับศพอันนี้คือวิธีพระเจ้าสอนเนี่ยให้สอนให้คิดถึงอสุภะ ไอคิดถึงความไม่สวยงามของร่างกายร่างกายมันสวยตอนที่มีลมหายใจอยู่นี่แะพอไม่มีลมหายใจเราไม่สวยแล้วมันจะเน่าเฟะขึ้นมาถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่กี่วันพองขึ้นมาไปดูศพคนตายที่เข า, เาไม่ได้เก็บซ่อนไว้ดูเลยทําไมก่อนเขาศพไปทิ้งป่าชากันแล้วปล่อยให้มันเน่าให้มันเฟะไปตามธรรมชาติ สมัยก่อนพระจะไปเยี่ยมป่าช้ากันเพื่อจะได้ไปไเห็นภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายเพราะพระนี้ต้องถือศีลกันเนาะเดี๋ยวเกิดคิดถึงแฟนจะได้ใ ห, ให้ให้คิดถึงศพของแฟนกันพอคิดถึงศพของแฟนแล้วมันก็ไม่อยากจะกลับไปหาแฟนนะนี่คือปัญญาปัญญาที่เราจะใช้แก้ความอยากต่างๆอยากได้อะไรมาปับ๊บเดี๋ยวมันก็หมดไป ไปดูปั๊บมันก็หมดไปแล้วแล้วก็ต้องไปดูอยู่เรื่อยๆให้เห็ น, นว่ามันไม่เที่ยงมันแป๊บเดียวมันเป็นความสุขเดียวเดียวเหมือนยาเสพติด่ยเสพแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆพอไม่มีเสพก็ทุกข์ขึ้นมาพอเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มันก็จะหยุดความอยากไปเองแล้วต่อไปมันจะไม่มีความอยากอ ย, กอยู่ในใจต่อไปเลยอยู่เฉยๆได้อย่างสบาย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 ให้ดูการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าดูการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกท่านไม่เพิ่งร่างกายท่านเพิ่งศีลสมาธิปัญญาเพิ่งศีลพึ่งศีลแปดศีล น, นักบวชศีลสองริบเจท่านเพิ่งสมาธิด้วยการเจริญสติพุทโธพุทโธ ท, ท่านเพิ่งปัญญาด้วยการเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราทุกอย่างน่าเกลียดน่ากลัว ร่างกายของคนเรานี่น่าเปลี่ยนน่ากลัวที่เรากลัวผีแล้วผีไม่มาจากไหนถามจริงๆอ่ะผีมันก็มาจากร่างกายของเราไม่ใช่นะพอเห็นโครงกระดูกนี่ก็กลัวกันแนละถ้าตอนคืนมืดๆถ้าเห็นโครงกระดูกแขวนอยู่ตรงไหนนี่เป็นยังไงกลัวไหมแล้วทําไมที่มันอยู่ในตัวเรานี่ไม่กลัวพระเรามองไม่เห็นมันใช่ไหมถ้าพยายามดูโครงกระดูกของเรามาั่ง เนี่ยคือสิ่งที่เราไม่มองกันถ้าเรามองนั้นเราก็จะได้ไม่หลงกันไม่อยากกันอันนี้เป็นวิธีที่เราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่ต้องเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเวลาไม่สบายไปหาหมอหมอบอกเป็นอะไรก็เออเป็นก็เป็น ม, มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นคนรับใช้เรา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 เรายังถือร่างกายเป็นสระนังกระฉามิอยู่เราต้องเปลี่ยนจากร่างกายเป็นสระนังกระฉามิมาเป็นธรรมังเป็นสระนังกระฉามิกันธรรมังก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยธรรมังสระนังกระฉามิรักษาศีลแปกันเริ่มต้นที่วันพระแล้วต่อไปก็ขยายพอรักษาได้วันหนึ่งแล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันได้เพิ่มเป็นสามวันได้ มีอะไรเป็นอุปสรรคก็ตัดมันไปการงานเป็นอุปสรรคก็ลดการทำงานให้มันน้อยลงถ้าเรารักษาสินแน่เราจะใช้เงินน้อยลงจะไม่ต้องไปเที่ยวอ่ะมาเที่ยวที่นี่ม า, มาที่นี่ไปเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยหมดไปกี่พันนะค่าน้ำมันเอ่ยค่าโรงแรมเอ่ยค่าอาหารเอ่ยแล้วก็ต้องเอาเอาเอ า, เอาเวลาไปหาเงินมาเที่ยวกันมันจึงไม่มีเวลามารักษาศีลแปร ก, กันเพราะต้องทางาน นะทำงานก็ไม่สะดวกที่จะรักษาสี่งแปลกันนะแล้วก็ลดการทํางานลงสิลนรายจ่ายลงลดเที่ยวลงถ้าถือสิ่งแปลกันนั้นก็ไม่ต้องเที่ยวแล้วใช่ไหมก็ประหยัดเงินไปได้พอประหยัดเงินได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องหาเงินก็ยิ่งจะมีเวลามากให้เรามาหาความสงบได้มาปฏิบัติได้มันรักษาศี่งแปลกได้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 ไม่น่ารับประทานอันนี้คือปัญญาทั้งนั้นนะพยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้ใช้ทำเป็นเครื่องมือหาความสุขเริ่มต้นที่การรักษาศีลแปดแล้วก็ไปอยู่ที่เงียบๆอยู่คนเดียวพยายามบริกรรมพุทโธเจริญสติขึ้นมาให้มากๆแล้วเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบ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 ร่างกายเป็นอะไรก็เฉยๆจะแก่จะเจ็บจะตายก็เฉยๆเพราะไม่เดือดร้อนแล้วก็รู้ว่าห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บใค้ได้ป่วยห้ามมันไม่ได้มันจะตายในห้ามมันไม่ได้มันจะแก่ห้ามมันไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราจะมีความสุขในใจตลอดเวลา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 จะอน้มนาให้พร ม, มาอยู่กี่วันการ น, นี้สาวันค่ะสาวันเน ะ, ะปิดร้านเลยเหรอไม่ปิดครับมีคนอ่นเฝ้าให้เลรอมไม่กลัวเขาเขโมยไปนะ ม, <c oughs> ม, มีน้องมีน้องเลยมีน้อ ง, ม, องมีพี่เลอใครเป็นลูกน้องที่บ้านหลักทรัพ อ, อือ ก็ดีนะท้าไม่กลัวก็ดีถ้าแมถ้ากลัวก mm. ็ <c oughs> คงไม่ได้นะก็ต้องไม่กลัวถ้าฝดีจะได้ทำใจนะทำใจไปนะของไม่ใช่ของเรานตอนนี้มันจะไปกันเรื่องของมันนนะของนากกายหาใหม่ก็ได้ทั้งหมดแต่เป่าก็ไม่ได้ทำบุญอ่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้มาฟังทำก็จะทุกข์กับสมบัติที่มีอยู่เป็นปู่โสมเป่าสมบัติไป<ม> <c oughs> อย่างน้อยตอนนี้เราก็ยังได้ใช้สมบัติของเราให้ ให้มาทำบุญให้มีความสุขให้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วต่อไปก็เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมได้ยังงท่านวัชรินส บ, สบายดีอตอนนั้นที่อาจารย์ถามจะ เ, เป็นใครครับ<อ>เป็นใครวัดสายพันเอครับ<อ>ติดไปใครกัไปได้การที่ยาลาหายแล้วใช่ไหมเขาหายแล้วหมออาจารย์ถามว่าสบายดีป่วยอยู่ไหว เหรรมือนรู้มว่ามันรู้ อ, รอาจารย์คนเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันเป็นธรรมดาอาจาร์คะเรยนามเวลาปฏิบัตินะะพอจิตมันรวมแล้วสงบปุ๊บมันเหมือนแบบพอรู้สงก็จะดีใจดีใจเสร็จมันก็หายสงบก็ไม่เป็นไรใหม่ ๆ, มๆก็อย่างนี้เทนั้นนะนต่อไ ป, ปไ<ม>ก็อย่าไปดีใจทำใจให้สักแต่ว่ารู้ไปให้สติคุมไว ต่อไปเรามีสติมีกําลังเรามีมีประสบะการณ์เราก็จะรู้เองว่าถ้าจะให้มันสงบต่อเราก็ต้องใช้สติประครับประคองใจไปคุ้มไว้แล้วนั่งต่อไปก็อย่าเพิ่มลุกเสียมันก็เข้าไปได้แล้วเรากลับเข้าไปใหม่ก็ได้เคยเข้าไปยังไงแล้วก็ทําอย่างนั้นใหม่ใหม่ๆ ม, มันก็อย่างนี้ใหม่ใ ม, มันก็มีกําลังน้อยสติพอได้เข้าไปถึงนั่นมันก็บวชกาลังมันก็ดีดออกมาใหม่ เราก็กลับเข้าไปใหม่แล้วก็พุโทโธใหม่ดูลมใหม่ทําไปเรื่อยๆทําไปบ่อยๆแล้วต่อไปมันจะชานานต่อไปเวลามันเด่งมันสงบแล้วก็จะรู้เฉยๆไม่ไปตื่นเต้นตกใจดีใจเราปล่อยเราก็ปล่อยให้ญญมันสงบไปไม่ต้องแบบคิดพิจารณาไม่ไมก็มีความสุขแล้วไปพิจารณาทำไมที่ให้พิจารณาเพื่อหยุดความเวลามันไม่สุขเนะ่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 ใช้ปัญญาหยุดความอยากมันก็อยู่ได้นะต้องทําไปเรื่อยเรื่อยงานนี้ไม่ใช่งานแบบ อ, อทําปุ๊บได้ปั๊บได้แล้วก็ต้องรักษาเอาพอไม่ทําเดี๋ยวมันก็หายไป เ, เป็นงานเหมือนกับงานอาชีพที่แท้จริงของมูกเราคืองานรักษาใจางานสร้างความสงบให้กับใจแต่เรากลับไม่ทํากันเรากลับไปทํางานอย่างอื่นกัน เาจึงไม่ค่อยมีความสงบกันค่อนที่จะมีความสงบได้ตลอดเวลาก็เป็นพวกนักบวชเนี่ยพวกพระทั้งหลายเนี่ย่ยพระนี่ไม่มีหน้าที่อะไรนอกจากรักษาใจให้สงบเนี่ยร่างกายก็พอเลี้ยงมันแบบหมาตัวหนึ่งเช้าก็เอาบาตเข้าไปหมู่บ้านได้อาหารอะไรม า, าให้มันกิ น, นกินเสร็จแล้วก็จบดูแลรักษาใจด้วยสติด้วยปัญญาตลอดเวลา ใจจึงมีความสุขมีความสงบไม่ต้องมีอะไรใครคนที่มีอะไรมากๆแสดงว่าใจไม่มีความสงบเลยไม่มีความสุขเลยเลต้องหาความสุขจากของข้าวของต่างๆยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกมากเพราะต้องดูแลเนี่ยมีรถคันนึงกัมีรถสิบคันนี่ยังไงจะสบายกว่ากันบางคนมีรถห้าสิบคันนะเศรษฐีบางคน ตั้งโกดังมาเก็บรถแล้วก็ต้องจ้างคนมาคอยขับเองตัวเองนานๆจะมาขับจะขับทีนึงแต่เห็นรถอยากได้พอเห็นรถก็ขายก็อยากจะซื้อมาพอซื้อมาก็ขับได้ครั้งสองครั้งก็เบื่อแนละ้วเนี่ยความอยากมันจะหลอกให้เราซื้ออะไรมาเยอะแยะไปหมดนะแล้วเราก็เล่นกับมันเดี๋ยวๆแล้วก็เบื่อนะแล้วก็หาของใหม่เล่นต่อ เอาของมันจึงโน่นบ้างเลยใช่ไหมแล้วความทุกข์หายไปหรป่าความไม่สบายใจหายไปหอลไม่หายมันต้องเอาความสงบนี่แหละมันจะกำจัดทำลายความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ไม่มีวิธีอื่นยิ่งซื้อมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งมีของมากก็ยิ่งทุกข์มากไม่มีของเลยถึงไม่ทุกข์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 ไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟอยู่กับธรรมชาติไฟก็มีฟรีแล้วนะไฟแสงสว่างดวงอาทิตย์เนี่ยจะไปใช้กันมันมากมายมืดเราก็หลับตานั่งสมาธิไปไม่ต้องทำอะไรตอนคืนไม่ต้องทำอะไรก็นั่งสมาธิสบายจตายไปชีวิตของคนที่มีความสงบไม่ต้องมีอะไร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 มีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจํานวนร่างกายที่เราเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆตายมาไม่รู้กี่ละกี่แสนล้านครั้งนะแล้วเรายังจะต้องตายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะเรายังต้องใช้ร่างกายอยู่ยันเลือกใช้ร่างกายแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาล้องห่มล้องไห้กับเรื่องของร่างกายเรื่องกับของเรื่องของร่างกายของเราเรื่องของร่างกายของคนอื่นเห็นไหมเนี่ยนาหลวงเสียเนี่ย คนไทยร้องไห้กันกี่เทาไรเท่าน้ำตามารวมกันนี่อาจจะได้หลายหลายลิตรเนี่ยร้องกันทั่วประเทศเลยนอ น, น้ำตาที่ร้องให้ในหลวงนี่มารวมกันดูเพรนอย่าใช้ร่างกายเลิกใช้ร่างกายกันมาใช้ทำรรดีกว่าใช้ศีลใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสี่ตัวนี้ แล้วจะสบายไปตลอดถางบ้าวันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลือสามร้อยสองแล้วตอนต้นเท่าไหร่ตอนที่สูงสุดหนึ่งรสามสิบกว่าหนึ่งร้อยสามสิบกว่ายู u ูบอ่ะตอนนี้สี่สิบสองฮะสี่ิบสองจะก็มาอยู่สิยี่สิบบาทตอนนี้ขึ้นขึ้เรื่อยๆมีโทนี่รึเปล่ามีเชอรานรึเปล่าไม่มีไม่มีสองคนขาไวจําไม่มาตอนนี้อยู่ลาสเวกัส ทีเขาก็ติดตามแล้วก็ส่งข้อความเข้ามามีใครอยากจะถามไหมใ น, ใน Facebook เฟ e บุ o กหรือใน YouTube มีคำถามจากเฟ e b ุ o k ค่ะคำถามจากคุณสุรับโยมปฏิบัติธรรมมาประมาณสามปีเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างละหนึ่งชั่วโมงจิตไม่สงบค่ะแต่ก็กำหนดตามรู้ตลอด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 บริกรรมพุทโธพุทโธไปจะดีกว่าถ้ามันยังคิดยายก็ลองจะเอาพุทโธสู้กับมันไปบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องคิดอะไรอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็หยุดคิดได้คำถามจากคุณสายสมรจิตพิจารณาถึงคุณของพารัตนไตแล้วเกิดปิติน้ำตาไหลห้าไม่อยู่บ่อยครั้ง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 ระหว่างทางมันก็อาจจะไปเจออะไรได้ก็อย่าไปสนใจให <c oughs> ้เราพุโทโธพุโทโธของเราไปจนกว่าทุกอย่างมันจะหายไปก็ถึงจะได้ถึงจุดหมายปลายทางพ อ, อจิตสงบนิ่งแล้วมันจะว่างมันจะเย็นจะสบายจะมีความสุขมากถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็พุโทโธพุโทโธต่อไปคำถามจากคุณนิชาข้อที่หนึ่ง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 เวลาจะพักผ่อนหลับนอนก็ต้องหยุดความคิดนเดียวมันจะนอนไม่หลับนะคำถามจากคุณสุวัฒนาคุณแม่ป่วยและท่านชอบโทรมาบ่นกับเราว่าอยากจะตายเหมือนท่านทุกข์กับการกลัวตายจนเราจิตตกไปด้วยเพราะอยู่ไกลจากคุณแม่ควรวางใจอย่างไรดีคะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ไปห้ามความตายของคุณแม่ไม่ได้ห้ามคุณแม่ไม่ให้บน่นไม่ได้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 กินแล้วยังเผื่อเผื่อข้างหน้าก็เรียกว่าโรคพง่ายง่าค้ให้กินแค่ให้อิ่มก็พอเขาบอกว่ไม่ให้คนกลับบ้านอแต่เจ้าภาพบางคนเขาก็ใจดีก็าบอพี่เอากลับไม่ได้นะบางทีเอาถุงมือสติกมาให้ด้วยแต่ถ้าโดยมารยาทด้วยความสวยงามก็อย่าไปโลกเราไม่ได้ไปเพื่อกินเราไปเพื่อไปแสดงความยินดีกับงานของเขา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 คำถามจากคุณสุพินดาคำว่าจิตรวมมันรู้สึกเป็นยังไงหรอคะก็เวลาพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็รู้เองลองพุทโธดูมันเหมือนตกหนุมตกบอลแล้วก็สงบนิ่งเย็นสบายทุกอย่างหายไปหมดว่างเบามหัศจรรย์ใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกยกร่างกายออกจากใจไปร่างกายนี่เหมือนภูเขาลูกนึงที่เราแบกกันอยู่ตลอดเวลา พอจิตสงบนี่เหมือนเหมือนทิ้งร่างกายไว้ชั่วขา่าวใจก็เลยเบาเหมือนคนที่เคยแบกของหนักๆเนี่ยพอเอาของหนักๆลงออกจากบาร์แล้วรู้สึกสบายไหมไปดูพวกคนที่เขาแบกเข้าสารเนี่ยข้อสอบละร้อยกิโลเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาแบกนะพว ก, กับเวลาไม่แบกอันไหมันจะสบายกว่า <Yeah. S 1> เวลาจิตสงบมันก็เหมือนกับทิ้งเข้าสารที่แบกไว้ทิ้งร่างกายไปเบาเลยสบาย คงถามจากคุณพิไลถ้าเราไม่ได้ไปทําบุญเองแต่ยกกับข้าวขึ้นมาอธิษฐานแล้วฝากเขาไปทําบุญเราจะได้บุญไหมคะถ้าเป็นกับข้าเป็นของเรานะถ้าเป็นของคนอื่นก็ไม่ได้บุญคนอื่นก็ทําเสร็จแล้วก็มายกให้ให้เราให้เราจกนี้ก็ไม่ได้บุญการจะทําบุญนี้ต้องเป็นของของเราเราถึงจะได้บุญเราต้องเสียสละของที่เป็นของเรา ถ้าเป็นของคนอื่นเช่นแม่ทําเสร็จแล้วบอกลูกช่วยไปใส่บาตรให้แม่หน่อยลูกยังไม่ได้บุญหรอกได้ก็น้อยได้ตรงที่ช่วยแม่ไปใส่บาตรได้ส่วนนั้นแต่อาหารนี่ยังเป็นของแม่อยู่แต่แม่ก็ต้องสอนลูกให้ทํานี้ไปก่อนเป็นการเรียนรู้ต่อไปเวลาลูกโตลูกจะได้ทําบุญเป็นเวลาลูกมีเงินมีทองแล้วอยากจะทําบุญลูกก็ต้องเอาเงินทองไปซื้อข้าวของมาแล้วตอนนั้นลูกถึงจะได้บุญจริงๆเพราะเป็นเงินทองของลูก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 ทำนี่เราจะรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรได้มากก็ตรงที่ว่าเราได้ช่วยเขาได้รับใช้เขาเราได้บุญส่วนนั้นบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันแตมนมม่มันไม่เหมือนกับบุญที่เราเสียสละเข้าของเงินทองของเราไปเป็นบุญคนละชนิดกันพระอาจารย์ะแล้วถ้าสมมติว่าแบบตายไปแล้วแล้วเงินยกให้คนอื่นทําบุญนี้แล้วได้บุญไหมคะ เราต้องทําเองตายไปแล้วเราไม่รู้กข้ไปทําหรือเปล่าเราอ๋อก็คือต้องทำเองต้องต้องต้องทําตอนที่เรามีอยู่เรารู้เราต้องใจของเราต้องปล่อยเงินนั้นเพราะตอนที่เราตายเราไม่ได้ปล่อยถ้าปล่อยถ้าปล่อยเงินนั้นแบบว่าทำพินัยกรรมไว้ก่อนตายว่ายกก็เหมือนกันนะยังไม่ได้ปล่อ ย, ย, ยนั่นแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยเนะพรอย่างนี้เดี๋ยเปลี่ยนใจก็ได้เปลี่ยนพินัยกรรมใหม่ก็ได้ใช่ไหมดงนั้นถ้าอยากจะทําก็ต้องทําตอนที่เรามีชีวิตอยู่ไปเลย เก็บไว้เท่าที่จําเป็นส่วนไหนที่ส่วนเกินที่เรามั่นใจว่าเราไม่ต้องใช้มันก็เอาไปทําบุญไปเลยให้ใครก็ได้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องใครก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นกับพระอย่างเดียวก็เก็บส่วนไวแล้วก็เหลือก็ปล่อยให้หมดอให้มันไปเลยเราดังนั้นจะได้บุญจริงๆรหรือการบริจาคอวัยวะก็เหมือนกันเขียนพี่นายกราบสั่งว่าจะมอบอวัยวะให้คนนั้นโรงพยาบาลนั้นเราก็ยังไม่ได้ให้ พอแต่ถ้าถ้าถ้าตายไปแล้วเขาเอาไปใช้เราก็ไม่รู้อีกอะแล้วเราเร า, เราไม่มีความรู้สึกอะไรกับการสูญเสียส่วนนั้นไปเพราะตอนที่เราตายแล้วกับเสียดายเท่านั้นตอนที่เราจะตายเนี่ยอพอเราไม่ได้ให้เวลาตายแล้วไม่โหงอย่าตายไปไม่ยอมตายกันเนี่ยเพรานั้นถ้าอยากจะให้ต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ <c oughs> เช่นแม่ตายเสียเอาแบ่งตายของเราไปให้แม่สักอันหนึ่งไ <c oughs> อ้เงี้ยได้ทันที หรือตาเสียเอาแบ่งตาไปให้แม่สักอันหนึ่งหรือบอริจากเลือดเนี่ยเวลาต้องทำการผ่าตัดต้องใช้เลือดเนี่ยเราก็บริจากเลือดไปอย่างนี้เรามีความรู้สึกเสียเสียของที่เรารักไปใช่ไหม อ, มอมพอเราเสียของที่รักไปด้วยความยินดีเราก็มีความสุขใจนะเพราะเห็นประโยชน์ที่ผู้ที่เขาได้รับจากเราเราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละเป็นบุญคือความสุขใจ ยถ้าอยากจะให้อะไรต้องให้ตามที่เรามีชีวิตอยู่<ม>แล้วมันจะเป็นบุญมันจะพาให้เราไปสบายเวลาตายเราจะไม่ค่อยเสียดายร่างกายเ<ม>พราะเราสามารถเบิกจากอาวัยวะได้รับรองได้เวลาตายนี้มันจะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ไม่ยอมไม่ยอมเสียอะไรเลยความไม่ยอมเสียมันทำให้มันยึดติดไงมันหวง เราไม่ต้องจ่ากันต้องถูกแย่งฉุดฉุกฉาออกจากกันมันทรมานไหมเห็นไหมเวลาคนที่เขาแย่งกันแต่เวลาที่เขาไม่แย่งกันเขายอมนี่ไปอย่างสบายอย่างพ่อแม่แย่งลูกเวลาหยากรู้ใน่ไหมถ้าแย่งกันเนี่ยโหทุกกันทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเแต่ถ้ายอมกันสักฝ่ายนึ่งเธออยากจะเอาไปก็เอาไปทุกอย่างก็สบายจบคนให้ก็สบายคนได้ก็สบาย ว่าต่อบมาคาถามจากคุณจารุวรรณมีผู้ฝากถามว่าถ้าถือศีลแปดแต่มีความจําเป็นต้องทานยาหลังอาหารในมื้อเย็นจะทําอย่างไรดีคะก็ทานไปสิทานยาไปไม่ต้องถ้ายัางถ้าต้องทานอาหารก็ถือว่าเราก็รักษา <c oughs> ไม่ได้แปดข้อได้แค่เจดข้อก็ยังดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราง่วงนอนเวลานั่งสมาธิหรือ เราจะไม่มีเวลาเพราะเรายังต้องมาคอยกังวลกับเรื่องกินอาหารเย็นอยู่ถ้าเรากินอาหารแค่เที่ยงวันหลังจากนั้นเราก็มีเวลาว่างไม่ต้องมากังวลเรื่องกินแล้วเราก็จะนั่งสมาธิไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนั่งไป เ, เดี๋ยวค่อยดูนาฬิกาถึงเวลากินไดอยังต้องกลับมากินต่ออคำถามจากน้ําเงินขาวรับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้ว แต่ยังมีความโกรธโทสะโมโหอยู่บ้างจะกําหนดใจให้ละเลิกได้อย่างไรก็ยังละไม่ได้จริงเลยถ้าละยะละได้จริงแล้วมันจะไม่โกรธใครที่โกรธเพราะยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธใช่ไหมอยากให้เขาทำอนุนนี้ให้เราพเพราะก็ไม่ทำํำเราก็โกรธอยากจะได้ของนั้นของจากเขาก็ไม่ให้เราเราก็โกรธ อย่างแสดงว่าละไม่จริงละแต่ปากแต่ใจไม่ละถ้าใจละจริงๆริแล้วใจจะไม่โกรธคําถามจากคุณศิราวิทย์น้องชายเสียไปอย่างกระทนหันเป็นปีแล้วยังทําใจไม่ได้คิดมากและเฝ้าโทษตัวเองโทษหมอพยาบาลที่ไม่ดูแลให้ดีอยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดเตือนสติครับว่ามันเป็นอดีตไปแล้วเหมือนความฝัน มันผ่านไปแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไปไม่ได้แนละ้วเมื่อคือนนี้เรานอนหลับเราตื่นขึ้นมานี่มันฝันเราไปเปลี่ยนมันได้ป ะ, ะมันก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตั้งแต่โมตั้งแต่บัดนี้ไปแล้วนี่มันเป็นอดีตไปแล้วอดีตนี้เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราอย่าไปคิดให้มันเสียเวลาถ้าจะคิดก็คิดเพื่อสอนให้เรารู้ว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปอย่างไรแล้วเราควรจะแก้ไข อ, อย่างไรคิดแบบถ้าจะคิดถึงอดีตให้คิดแบบนั้น คิ่ออเนี่เราไม่ควรทําแบบนี้นะเราไม่ควรไปโกหกคนนั้นคนนี้นะเราไม่ควรไปรักทรัพย์ของเขาเงี้ยถ้าคิดอย่างเงี้ยเราจะได้มาแก้ไขได้แต่ถ้าจะไปคิดว่าโอ๊ย ไ, อไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้คิดไปมันก็ไม่เปล่าประโยชน์เพราะมันไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ดงั้นหยุดคิดถ้ามันจะคิดถึงอดีตพยายามพุโทโธพุธโทโธหนึงจิตให้กลับมาอยู่ในปัจจุบัน พออยู่ปัจจุบันแล้วเดิมอดีตมันก็ความไม่สบายใจก็จะหายไปข่าวต่อไปจาก youtube นะครับจากคุณมดครับนั่งสมาธิเกิดแสงสว่างแสบตามากแต่เกิดอาการกระวน์ประวายแสงเลยหายไปถ้าเกิดขึ้นอีกควรทําอย่างไรดีคะก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับ อ, อารมณ์ที่เราใช้ทำกลับใจจะใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไปดูลมหายใจก็ดูไปอย่าไปสนใจกับ สิ่่งทีมาปรรรให้้ับูคำถามจากคุณเกษรินการเข้าพวังตอนทำสมาธิคืออะไรคะก็ก า, ามสงบไยเวลานั่งสมาธิพอจิตสงบก็เรียกว่าเข้าพวางังพวังสมาธิคำถามจากคุณจราวุธิรมคืออะไรครับทำเหรอทำก็มีหลายอย่างนะ คม ท, ที่เรารู้กันก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอะไรต่างๆมันก็เรียกว่าธรรมก็ได้ธรรมนี้มันมีความหมายหลายอย่างด้วยกันธรรมจะแปลว่าความจริงก็ได้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมมันเป็นความจริงหรือว่าธรรมเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราพึ่งอาศัยทาให้จิตใจของเรา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 โยมให้เงินพ่อแม่ทุกเดือนและจะมีกุศโลบายในการบอกบุญท่านคือให้ท่านรับเงินไปก่อนแล้วบอกบุญกลับเลยทันทีท่านจะทำบุญง่ายมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบอกแล้วท่านจะยื่นเงินกลับเพื่อเป็นเพื่อให้ไปทำบุญเป็นอัตโนมัติทุกเดือนอย่างนี้ท่านจะได้บุญเต็มๆไหมคะเพราะถ้าไปบอกเฉยๆตอนที่เรายังไม่ได้ให้เงินท่านท่านจะทำได้ยากกว่า มันก็ไม่ควรจะไปบอกควรจะออกมาจากใจของเขาเองจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปบอกมันก็เหมือนกับว่าเราไปทวงคืนแล้วถ้าเราไม่ให้เขาไม่ให้เราเขาก็จะเกงใจเราก็ได้ก็จะทำบุญด้วยความเกงใจไม่ได้ทำบุญด้วยความอยากทำจริงๆฉะนั้นเราให้เงินใครไปแล้วเราไม่ควรที่จะไปบอกเขาว่าให้เอาไปทำบุญเพ อ, อถ้าบอกเขาก็เหมือนกับว่า ไปสั่งเขาแล้วถ้าเขาไม่ทำเขาก็เกรงใจเราถ้าเขาทำเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ทำตามที่เขาอยากจะทำก็ได้ยังไม่ควรที่จะไปไปบอกนอกจากสอนอย่างลูกนี่เราอาจจะสอนได้ว่าลูกนี่เอาเงินไปใส่ใส่ตู้ให้หน่อยเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการทำแต่เด็กยังยังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเงินของเด็กถ้าอยากจะให้เด็ก รู้สึกอะไรก็เอาเงินค่าขนมของเด็กเนี่ยหนูเอาไปใส่บาตรนะถ้าถ้าเขายินดีจะใส่เขาก็จะได้บุญ mm hmm. เราสอนได้บอกได้แต่ต้องเป็นความพอใจเป็นความยินดีของเขาถ้าถ้าเขาไม่ได้ทำด้วยความยินดีเขาก็จะไม่ได้บุญ mm hmm. ได้ก็ได้น้อยพูดอย่างนั้นดีกว่า mm hmm. หมดแล้วค่ะหมดแล้วเนะ่ะ u t u b บอันนี้ไม่มีมีคำถามเดียวคอ่บตอนนี้มีใครอยากจะถาเมเองไหมไม่รีบร้อ น, นนั่งคิกก่อนก็ได้มาเข้าอีกแล้วอ่ะมีมาอีกคำ ถ, ถามจาก <c oughs> คุณพัชชาเวลาตายกิเลสที่ยังอยู่ ที่ยังมีอยู่จะติดตามจิตไปเหมือนบุญไหมคะไปหมดนะทั้งบุญทั้งบาปทั้งกิเลสทั้งธรรมที่เรามีอยู่ไปมันอยู่ในจิตหมดความดีที่เราทำไว้มันก็ติดไปกับเราถ้าเรารักษาศี่ห้ามันก็จะไปรักษาศี่ห้าต่อถ้าเรารักษาศี่แปดเราก็จะไปรักษาศี่แต่อถ้าเราไปเที่ยวเดี burn, ๋ยวเราก็ไปเที่ยวต่อถ้าเรามีแฟนเดี๋ยวเราก็ไปมีแฟนต่อทุกอย่างมันไปหมดนะ ของนอกใจนอกกายเท่านั้นที่ไปไม่ได้ของนอกใจคือร่างกายกับทรัพย์สมบัติข้าวขอ ง, งเงินทองต่างๆนี่ไปไม่ได้แต่ของที่อยู่ในใจนี้ไปหมดความโลภความโกรธความหลงศีล ส, สมาธิปัญญาการทาบุญทําทานอะไรนี้มันจะไปตามตามกำลังที่มันมีอยู่หมด<อ>แล้วใช่ไหมเขาคล้องใจว่าทาไมถึงไม่ได้บุญอะไรเพราะว่า ตอนแรกจริงๆก็คือจริงๆตอนจากที่แฟนถามครับท่านก็คือว่าเระตัดสนใจไว้ว่าถ้าสมมุติว่าทา้ายในสุดแเราต้องตายไปเนี้ยทรัพย์สม บ, บัติทั้งหมดที่หามาก็จับตั้งใจว่าจะอยกให้เป็นแบบสาธารณกผู้ใช่มันเป็นความตั้งใจมันไม่ใช่เป็นการกระทํามันต้องมีการกระทําถึงจะเกิดบุญขึ้นมาต้องเกิดการเสียสละมันยังไม่ได้เสียก็ยังเพราะว่าท้ายสุดแล้วพอตายไปแล้วก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ยัง ไ, ไยงไม่ได้ทำไม่ได้ทำอเอาถ้าใกล้ตายแล้วสั่งว่าเอาเงินนี้ไปไปให้นู่นให้นี่เลย เ, เห็นก็ได้ไม <c oughs> กลัวมันจะไม่มีเวลาบางทีตายได้พ <c oughs> อ, อตายมันมันมันจะไม่มีสติสตงังมันจะอะไรเซ็นชื่อไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้ <c oughs> เห็นถ้าอยากจะได้บุญก็ทำมันไปตั้งแต่ที่เรายัางทำได้ คือความตั้งใจยอย่างวัน อ, อย่างนี้นรับตั้งใจทําบุญล้า น, นยังก็ได้แต่ไม่เอามาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะต <c oughs> ั้งใจถวายหลวงพ่อร้านหนึ่งวันนี้ลืมไม่ได้เอามาเ <c> ป <oughs> ็นได้บุญไหมอย่างนี้ <c oughs> ไม่ได้มันความตั้งใจมันเป็นจุดเริ่มต้นแต่มันไม่ใช่เป็นตัวตัวบุญมั น, เ ป, นเป็นตัวที่ตัวที่จะเป็นบุญก็คือตัวที่เราการกระทําของเรา มันต้องมีการกระทำเกิดขึ้นมันต้องมีการรู้สึกเสียหายเสียสูญเสียของที่เราลักไปในการทำบุญนี่ให้เราฝึกเสียของที่เราลักยเพราะต่อไปเวลาเราตายเราจะได้ไม่เสียดายเราจะตายอย่างสงบตายอย่างสบายตายอย่างมีความสุขใเป็นวันนี้เราเงินมาเสียเราเสียใจั้ยเรากับมีความสุขใช่ไหมงั้นละ แต่ว่ามันอาจจะยังไม่มากเท่าเน่ ง, องลองลองให้มากๆดูๆ <c oughs> ดูๆๆๆๆๆๆเอาละนะพอเอาใหม่อีกเหรอเอามาเอาเลยองถามจากคุณบงกฎที่วัดมีบวชชีโกนหัวไหมคะสิบวันอยากบวชให้ในหลวงกระปุกพการีคะ่ะอ๋อไม่มีที่นี่มีแต่ให้มาอยู่ซื้อศีลแปดไม่ต้องโกนหัวจะโกนเองก็ได้ไม่มีใครบังคับไม่มีใครห้าม จะอยู่ได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันแล้วต้องจองที่พักก่อนเพราะที่จํานวนจํากัดมีอยู่ไม่กี่ที่มีมีนี้ไม่กี่ห้องมักจะต้องจองไว้ก่อนแล้วมาแล้วอยากจะโกนหัวเองก็ได้ไม่โกนก็ได้เขก็ขขจะมีพิธีให้ไปขอศินแปกับพระเท่านั้นเวลามาวัดจะมาอยู่วัดเขาให้ไปขอศินแปกับพระแล้วเวลาจะกลับบ้านก็ให้ไปลาลากับพระอีกทีนะึ่ง จะโกนหัวก็ได้ไม่โกนก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่โกนก็มนไม่โกนอะแต่โกนก็ดีมันจะได้รู้ว่าเราก็ไม่เสียดายผมของเราเราไม่ยึดติดในความสวยงามของร่างกายเราอก็ดีถ้าโกนได้ก็ดีเรามักจะพูดอยู่เรื่อยว่าคนเราจะดูว่าโง่หรือฉลาดก็ดูที่ผมเนี่ยยิ่งยาวก็ยิ่งโง่ <c oughs> <c oughs> ยิ่งสั้นก็ยิ่งฉลาดเ <c oughs> พราะไม่ยึดติดเนี่ย ไม่ยึดติดในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราไม่ยึดติดว่ามันจะต้องสวยต้องงามตัวเรามันไม่ได้เป็นร่างกายตัวเราเป็นใจ อ, อีกข้อนหนึงใช่ไหมมาเป็นรั่ <laughs> เอาว่าไปเรินดึงการจะเวลาจะหมดคำถามจากคุณเกศรินหลังจากนั่งสมาธิแล้วอธิษฐานอย่างไรดีคะเออไม่ต้องอธิษฐาน อธิษฐานแบบความวตั้งใจถ้าอยอธิษฐานก็ข อ, อนั่งใหม่ไงกอนั่งใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนั่งต่ออธิษฐานก็ขอให้นั่งเรื่อยๆนั่งบ่อยๆนั่งมากๆคำถามจากคุณเมธินีทุกๆวันตอนตื่นนอนก็จะกราพรตนไตายและตั้งจิตว่าเมื่อใดที่กายกับจิตแยกจากกันขอให้จิตดวงนี้ได้เข้าสู่พานิพานอย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเลย ลูกตั้งจิตแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะไม่ถูกอ่ตั้งไปก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะมันไม่มันไม่ได้อยู่ที่การตั้งมันอยู่ที่การาทำํำเราต้องปฏิบัติปล่อยวางร่างกายตัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปมันถึงจะไปพา น, นิพานได้ถ้าจะตั้งก็ตั้งบอกต่อไปนี้จะไม่ยึดติดกับร่างกายจะไม่ใช่ร่างกายหาความสุขจะถือศีลแปจะนั่งสมาธิจะปฏิบัติทำไปจนวันตาย ใช่อย่างนี้มีโอกาสจะไปนิพพานได้คําถามจากคุณละเวงการที่เราไม่สามารถนึกถึงกฎตายรักหรือพิจรารณากฎนี้ได้อยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะกําลังของสติยังไม่มากพอใช่ไหมคะใช่กําลังของกิเลสมันมากกว่าความความความหลงความหลงมันจะทําให้เรามองไม่เห็นตายรักจะเห็นแต่ทุกอย่างเป็นสุขเป็นของเราจะอยู่กับเราเป็นนา น, านๆเราจึงต้องบังคับใจให้เราคิดถึงตายรัก จะแล้จะบังคับได้ก็ต้องมีสติหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความหลงก่อนพอหยุดความคิดที่จะไปทางความหลงได้ก็จะสามารถดึงให้มันมาคิดในทางทางทางความเป็นจริงได้ทางตายรักได้คําถามจากคุณศักดาเวลาทํางานคิดเลขแล้วจะภาวนาพุทโธได้ไหมคะลองภาวนาดูแล้วจะคิดเลขไม่ได้คะ่ะเวลาภาวนาเราต้องการหยุดความคิดไง ไม่ควรคิดอะไรถ้าจะคิดเลยก็อย่าภาวนามันมันขัดกันมันเป็นคนละทางนกนันคนที่ต้องการภาวนาเขามักจะลาออกจากงานกันไปบวชกันจะได้ไม่ต้องคิดอะไรถ้ายังทํางานอยู่มันก็ภาวนาไม่ได้มันต้องใช้ความคิดคำถามจากคุณปาสัการาเคยได้ยินที่พระอาจารย์พูดถึงจิตของพระอาหารหันต์ที่ยังคงอยู่ ผมเคยมีความเข้าใจว่าผู้มันรู้ธรรมเมื่อ น, นิพพานแล้วจิตก็จะดับไปคือไม่กลับมาเกิดใหม่หลุดออกจากวัชจักรไปแล้วหมดไปแล้วอย่างนั้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตุกองค์ยังคงมีอยู่ใช่ไหมครับใช่มันจะไปดับไปได้จิตมันไม่มีวันดับที่ดับก็คือกิเลส ท, ที่เป็นตัวที่มาให้จิตมามาเกิดใหม่เหมือนกันน้ํามันเนี่ยถ้ารถไม่มีน้ํามันแล้วมันจะวิ่งไปไหนได้ปะ ถ้าเราคอยเติมน้ํามันอยู่เรื่อยมันก็ยังวิ่งไปอยู่ได้อยู่เรื่อยน้ํามันของภพชาติก็คือกิเลสตัณหานี่ถ้าเรายังคอยเติมกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยทําตามความอยากทําตามความโลภอยู่เรื่อยมันก็จะพาเราไปเกิดอยู่เรื่อยจิตไม่มีวันดับไม่ว่าจะเป็นของพระอรหนต์หรือของพวกเรามันต่างกันตรงที่ว่าน้ํามันมันหมดหรือไม่หมดเชื้อเชื้อของภพชาติมันหมดหรือไม่หมด เรือของภพชาติก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่ถ้าไม่มีเชื้อมันก็ไม่เกิดถ้ายังมีมันก็ยังไปเกิดอยู่คำถามจากหญิงก้อยพระอาจารย์คะหนูทำสมาธิแล้วทำความรู้สึกอยู่ในกายเวลาปวดหัวจิตมันจะไปจับที่หัวเวลาปวดแล้วความปวดก็หายไปคะ่ะอย่างนี้เรียกว่าธรรมโอสฐหรือเปล่าคะก็ไม่แน่นเนื่ มันอาจจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ถ้ามันทุกครั้งเป็นแล้วทำให้มันหายได้ก็เป็นธรรมโอสถได้่ถ้าบางทีมันก็ไม่หายเพราะความเจ็บของร่างกายนี้บางทีจิตก็ไบ่บังคับมันไม่ได้ไปเปลี่ยนมันไม่ได้พระพุทธเจ้ายังต้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยู่เรื่องของร่างกาย่ที่ไม่เจ็บก็คือใจเนี่ยทำใจให้ไม่เจ็บกับความเจ็บของร่างกายได้อันนั้นเรียกว่าธรรมโอสถไม่ได้รักษาร่างกาย ให้รักษาใจรักษาให้ใจไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนี้เรียกว่าธรรมโอสถไม่แล้วไไปรักษาร่างกายคําถามสุดท้ายจากคุณสีนีบางคนบอกยิ่งให้ยิ่งได้แต่โยมรู้สึกว่ายิ่งให้ยิ่งมีความสุขเหมือนกันไหมคะถูกต้องการให้นี่เพื่อให้มันมีน้อยลงไม่ใช่มีมากขึ้นถ้าไม่ยิ่งให้ก็ยิ่งจนเลยถ้าไม่อยากจนก็อย่าให้ คนรวยเข้ามักจะไม่ได้ให้ก็ถึงรวยกันคนที่ให้เนี่ยเขถึงจนกันอยู่พระพุทธเจ้าเคยเป็นราชโอรสก็สละสมบัติไปไปอยู่เป็นพระเป็นอยู่ขอทานจะรวยขึ้นได้ยังไงแต่สิ่งที่จะมากขึ้นก็คือความสุขใจความสุขใจจะมากขึ้นความทุกข์ใจจะน้อยลงเพราะการมีเงินมีทองนี่มันทําให้เราทุกข์กังวลกันพอไม่มีเงินเราไม่ต้องอาศัยเงินทองได้เราก็สบาย หมดแล้วนะเอาคิดว่าพอสมควรแก่วเวลาแล้วก็ขอให้นำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิสพิพจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ